แล้วไอ้ผีดิบมันไรอะ่ะมันจะก่อเวรก่อกรรมกับฉันไปอีกนานสักเท่าไหร่เนี่ยก็คงจะจนกว่าจะพินาศกันไปข้าหนึ่งลวมั้งกรรมเก่าจองเวรกันมาแต่อดีตชาติหลายบับหลายบันมาแล้ว่ก็ฝาดกันไม่เป็นสิผูกกองใครดีใครอยู่ผู้กองเองก็สิทธ์มีครูไม่ใช่เหรอแต่หนักหน่อยนะคราวนี้ สารพัดวิชาประดามีก็เรียบมาใช้ครับมันตะเล่นกับผู้กองสุดฝีมือของมันทีเดียวแหละคราวนี้เอะแล้วไอ้เครื่องบีห้าสิบสองลำนั้นอะ่ะมันตกอยู่ที่ไหนฮะนะ่ผู้กองถามมหลายครั้งแล้วนะเรื่องนี้<อ>ก็บอกไงว่าบอกไม่ได้คนหาเองที่คนหายสาบสูญยังตามพบ โัทนับประษาอะไรก็เครื่องบินลำเท่าเตึกทั้งลำนายหญิงขนาดนี้อยู่ที่ไหนอะเป็นยังไงมัง่งก็ภาวนาอยู่ไม่หยบหยบนี่ไม่ใช่หรือไงผู้กองไว้เธอลืมผู้กองใชไม่ต้องห่วงหลังเธอลืมผู้กองไปแล้วละลืมอย่างสนิททีเดียวละระพินนิ่ง ร่างนั้นหัวเราะเบาๆหมดคำถามยังเสียงนั้นดังมาอีกเหมือนจะเตือนให้เขาพูดหมดละแล้วก็จะไปไหนก็เชิญได้ละแทนที่จะไปแงา่ายค่อยๆย่อนกายลงนั่งอีกครั้งทอดตาจับนิ่ง ยิ้มยิ้มมาที่เขากล่าวขึ้นลอยลอยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มว่าดึกแล้วนะไม่ต้องสือมาบอกเรารู้ว่าดึกฟ้าพราวดาวเกลื่อนอืมมีอยู่กี่ดวงอะ ช่วยนับไปทีดิแต่ขาดเดือนท้องฟ้าแรมเลือนมัวมือเหมือนใจท่าเออไปไปไปไปได้แล้วเสียงอะไ ร, กระเกียงโูนประสาทของแกสิ ผีพรายที่นั้นกูมาก่อยผีแง้ายที่นั่งหลอกอยู่นี่ไงอ๋อริงหลอกนะโหยหวนครวนมาครวนเรียกหาใครนั่นครวนเรียกเตียเอ็มั้งริงเรไร วันี่ก็บอกไว้ไปพ้นพ้นนาทีไงร้องไปทำไมกันกร้องด่างไงไอ้เงซ้ายไอ้ก้อนดงคงจะกูเรียกชูมันถ้าคงเหมือนกันได้แต่โศก ส, สางอ่า ระพินพยายามลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นจริงๆแงสายชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ริงเอยหวังเฉยชมครกลับเงียบไปคู่ขวัญใจคงจะได้คืนรรง สิงพลอยเงียบไปแววไกลไกขันดังรุ่งยามอรุณยินเสียงระฆังฉันยังนั่งคอยเธอแง้ซ้ายระพินหลุดปากตะโกนลั่นออกไปพร้อมกับผงกตัวพรวดขึ้นนั่งลืมตาพล จ่องไปยังหินก้อนนั้นไม่มีวิเแววอะไรทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบแล้วเงาสลัวรางของก้อนหินรอบด้านนอกจากนั้นก็เป็นเสียงมแมลงในราตรีอันแสนสงัดเท่านั้นมีเสียงขยับลูกเลื่อนกล่วมดังขึ้นมาเกือบจะไล่ล่กับเสียงร้องและอาการผวาลุกขึ้นนั่ง เบิกตาตะลึงของเขาจากนั้นก็เงียบไปชั่วอืดใจจอมพรานยังนั่งนิ่งคริสติน่าและกลุ่มนายจ้างที่นอนเรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานอยู่ยังไม่มีใครรู้สึกกายขึ้นทั้งสิ้นและพวกลูกหากพรานพื้นเมืองที่นอนเป็นกลุ่มเรียงรายอยู่รอบๆก็ล้วนอยู่ในอาการสงบแสดงว่าหลับไม่รู้สึกตัวกันทุกคน ขณะจิตต่อมาระหว่างที่เขายังนั่งเอามือลูบใบหน้าอยู่นั้นเงาของใครคนหนึ่งในกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมกับไรเฟิลในมือย่องเป็นเงาตะคุ่มเข้ามาตาเท่าบุญคำนั่นเองและเสียงขยับลูกเลื่อนที่แววให้ได้ยินเมื่อครู่นี้ก็คงจะมาจากแกนั่นเอง นายนายเป็นอะไรไปบุญคาจำใจตื่นเห็นนายเพ่นขึ้นมานั่งก็คอยคุ้มเชิงอยู่นึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรบุญคำแตะไหลเขากระซิบถามแผวเบาจ้องหน้าขมิง่งบุญคำรวดเร็วและฉับไวต่อเหตุการณ์เช่นนี้เสมอทรานใหญ่ขยี้ตา ยิ้มจิตจืดเปล่าเปล่าปล่าไม่มีอะไรหรอกบุญคาฉันฉันฝันร้ายอ่ะแล้วก็คงจะละมือร้องอะไรออกไปอ่ะเอ้ถ้าจะไม่ค่อยดีแฮะนายกูคืนนี้เดี๋ยวๆยเดี๋ย ว, ยวบุญคาจะมานอนใกล้ๆนายดีกว่าว่าแล้วแกก็เพนกลับไปที่เดิมของแกอย่างเบากลิบอึดใจก็ย่องกลับมาพร้อมกับอัด บริขานเครื่องนอนประเภทเดียวกับเขาประกอบไปด้วยกระสอบปานย่ามหนุนหัวและก็ผ้าผุยผืนบางๆดำยิ่งกว่าขี้เป็ดพอมาถึงก็ยึดที่นอนใกล้ๆเขานายก็นอนเถอะบุญคำดูแลอะไรให้เอกคืนนี้ไม่ต้องมามัวห่วงแม่มคริสนี่หรอกถ้าน้ามันที่เติมเข้าไปในเส้นเลือดนั่นหมด ชี้ไปที่ถุงน้ำเกลือที่เหลืออีกประมาณหนึ่งในสี่ของถุงก็เดี๋ยวบุญคำจะปลุกหมอเบลให้แกมาช่วยถอดเข็มม่เองระวังนายจะไม่สบายไปอีกคนแล้วกันถึงคราวคับขันจำเป็นจริงๆบุญคำก็ใช้ได้ทีเดียวแหละเพราะความฉลาดรอบครอบของแกแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ทะลึ่งโลนไร้สาระไปตามเรื่อง ความจริงมันเกิดจากนิสัยอารมณ์สนุกคนองของแกนั่นเองและในยามนี้ไม่มีใครที่จะไว้วางใจสำหรับเขาได้มากไปกว่าบุญคำอีกแล้วท่ามกลางมาหาภัยพิบัติกลางป่ามรึดตะยูที่แวดล้อมอยู่นี้จอมพรานเอ็นกายลงนอนอย่างละเหี่ยหันไปมองทางแม่ผมทอง สมุนขวาคู่ใจทันในความคิดบอกมาเบาๆว่าแมมคริสต์นหลับสนิทเี่ละนายคงโดนยานอนหลับผสมเข้าไปในไอ้ถุงนี่ด้วยพรุ่งนี้ก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะอย่าห่วงเลยนาะยระพินหลับตาลงเอามือไก่หน้าผากคุณคำครับนายมีอะไรด้อพรุ่งนี้ เราอาจไม่พบแหล่งน้ำบนยอดเขาลูกนี้เลยนะหึนายไม่พบพรุ่งนี้ทำไมตายซะก่อนมะรืนก็พบมะรืนไม่พบมะเรื่องก็พบนายแกตอบง่ายตามสไตล์ของแกพวกเราจะอดน้ำอดอาหารหมดแรงไตเขากันต่อไปฉันอาจาจะตัดสินใจผิดก็ได้ ที่นำพวกเขาบายหน้าขึ้นมาทางหน้าผาด้านนี้นะก็ให้มันรู้ไปเป็นไรเป็นกันสินะนายอย่างน้อยไอ้คำไอ้จันไอ้เกิดไอเ้เซยก็ยังอยู่กับ น, นายพร้อมทั้งสี่คนก็แล้วมืออย่างนายนะ่ะถ้าตัดสินใจนําทางผิดก็ไม่มีใครน้ำทางได้ถูกอีกแล้ว พรุ่งนี้ขออนุญาตหญิงสัตว์มาเป็นอาหารมั่งนานายเราน่ะหมดสเบียงพวกเนื้อแห้งแล้วตกลงเขาพยักหน้าบอกง่ายๆดูนายเศร้าซึมเหลือเกินคืนนี้ก็เป็นอย่างฉันอย่างนี้มาตลอดกาลนั่นแหละไม่ได้เศร้าไม่ได้ซึมอะไรหรอกบุญคำไใจหน้าทะเล้นหัวรอกิก คิดสัพปปดีสีบรณนอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างมุงคำได้ยังไงอ้ยน่ายสั ป, ปดลเชื่อมั่งวันลนิบเขาว่าจิตมันแจ่มใสน้าไา ย, นานายอย่าไปคิดจริงจังอะไรกับมันนักเลยกรรมหมดเราก็ตายเองกรรมยังไม่สิน้นก็ดิ่นร้นก็เสือก็สนกันไปแต่บุญคำน่ะสังหรณ์ อ, อะไรบางอย่าง น, านา้าไนมันสาสายังไงพีกน สังหอนอะไรก็นนสังหอนว่านายหญิงจะตามเรามาไงแกกระซิบเบาที่สุดระพินถอนใจเฮือ อ, อย่าพูดอะไรในสิ่งไร้สาระมันเป็นไม่ ไ, มได้หรอกนายหญิงจะตามมาทำไมเอาละหยุดพูดได้แล้วฉันจะพยายามหลักดูแม่มรคริสด้วยนะถัดน้ำเกลือหมดถุง ก็ไปปลุกแมมให้ถอดเข็มออกนั่นคือประโยคสุดท้ายของเขาก่อนจะเงียบสนิทไปทูบที่จุดและปักแยกกันไว้ชุดหนึ่งสามดอกบูชาคุณพระรัตนตรยัยอีกดอกหนึ่งแยกมาต่างหากสักการะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองภูเขาขุนเขา และป่าใหญ่ที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ส่งควันกรุ่นกินลามเข้าไปประมาณสามในสี่ส่วนแล้วดารินวราฤทธิ์คงนั่งสงบนิ่งไม่ติงตายขณะนี้หล่อนปราศจากความรู้สึกใดๆทางร่างกายแล้วดวงปราณสนิทแน่วนิ่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนห่างออกไปเบื้องหลังเพียงแค่วาเศษ นานอินนั่งขัดสมาธิเช่นกันคอยควบคุมดูแลอย่างระมัดระวงังสิ่งที่แกจะทำได้ในยามนี้ก็เพียงใช้อาคมเป็นเกราะกำบงังไม่ให้วิญญาณหรือสิ่งอันชั่วร้ายใดๆเข้ามาฉวยโอกาสครอบงำดวงจิตซึ่งอยู่ในภาวะว่างของนายหญิงเท่านั้นและสังเกตเห็นร่างของนายหญิงนั่งตัวตรงแนวลมหายใจเข้าออก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 หล่อนมองเห็นทะลุม่านเปลือกตาของตนเองที่ปิดสนิทออกไปแสงสว่างพร่างพรายไปด้วยรัศมีงดงามนั้นลอยเด่นอยู่เบื้องหน้าเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นตามลําดับจนกระทั่งกลายเป็นภาพชัดเจนของอรหันเจ้าโกนธัญญมุนีแห่งเทือกเขานิลกาที่หล่อนเคยไปเฝ้ากราบไหว้ กตัวเป็นสิทธิและพร่ำภาวานาโน้มระลึกถึงท่านอยู่เป็นประจำในทุกครั้งที่ตนเองตกอยู่ในภาวะกลับกลุ้มหรือท่ามกลางมาหันตะไไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดร่างในกีวรนยอมฝากที่หลอนแลเห็นจากดวงตาที่สามนีไม่ได้แลดูเหมือนหินผิดไปจากเท่าที่เคยได้ไปเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้ว แต่เหมือนผู้ทรงศีลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ลอยเด่นอยู่ในอากาศดำมืดเบื้องหน้ามือข้างหนึ่งยกขึ้นในลักษณะประทานพรริมฝีปากนั้นปรากฏอาการแย้มยืนน้อยๆเหมือนจะทักทายอย่างการุนแต่ก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยเป็นวาจาใดๆออกมาทั้งสิ้น ไปจะรู้ความประสงค์ในใจหล่อนอยู่แล้วมือทั้งสองข้างของหญิงสาวที่วางซ้อนกันอยู่บนตักยกขึ้นพนมบูชาสาธุพระคุณเจ้าได้โปรดโปรดช่วยลูกด้วยเถิดโปรดเปิดโลกที่มืดมิดเต็มไปได้วยปริศนา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 ลูกเองก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับหญิงอนาถายากไร้สงสารตะเกียกตะกายเพื่อติดตามชายคนรักมากลางป่าใหญ่ใครกันดารด้วยหัวใจอันศั่์ซื่อมั่นคงและจะไม่มีวันถอยหลังจนกว่าจะพบหรือจนกว่าตัวเองจะตายหล่อนส่งกระแสจิตวิงวอน ความรักคือความทุกข์กระสยสินแผ่นั้นก้องกังวานอยู่ในสมองของดารินกำกเกาเป็นตัวส่งผลให้เกิดเองแต่เจ้าเป็นหญิงผู้มีสัจจญาีมีความสุขจริงมันม่นคง นี้ต่อชายันเป็นที่รักในอดนตระชาติมาทุกชาติแล้วเอาเถิดพ่อจับจับโลกชอกช็อกเสี่ยงสูงสูงหนึ่งหนให้แก่เจ้าได้ได้เห็นได้ได้พยากรณ์แต่จะให้เจ้าได้รู้เห็นอะไรมากไปกว่านี้มิได้ เพราะเป็นการผิดสีโลวิสัยสิ่งที่จะเข้ามาพบพบเจ้าในในมิมิดคือสิ่งที่จะช่วยหยุดการเวลาย้อนกลับให้เจ้าได้รู้เห็นอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นแล้วนักสถานที่ดีได้ตามที่เจ้าประสงค์ จาได้เร่งร้าวสอบถามอันใดให้มากไปกว่าที่เจ้าได้กล่าวขอแก่พ่อไวยเจ้าให้สัจจาในข้อนี้ได้หรือไม่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าลูกจะไม่ขอสอบสักอื่นใดให้มากไปกว่าขอรู้ ในเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นณหน้าผาตะเขียนทองนี้เท่านั้นเช่นนั้นก็ดีแล้วผู้ที่เพียมย้ำที่เหตุการณ์อันยาเจ้าสงจะรู้จ่าเยาหุบย่านาบนบัดบัดนี้พ่อขอจากไปก่อน ยามใดที่พิบัดปีภัยมาถึงจงลึอกถึงตารางญาตา500พระโรงไว้ความสวัสดีจะมีแต่ตัวเจ้าตลอดไปพึ่งดับดับไฟดีเลย3ประการให้ออกพนไปจักล้วนๆด้วยคือมูาั โทุศากะแลเลเลโลหะนนังระพินามยายในทุศิษยทุทุกยางถ้าแม้มีปรากโฏิทันตายในชาตินี้ก็จะสรงผลไไปตามไปในชาติภพนาบอกความครบสิ้นดังนั้นแล้ว ภาพของโกนธัญญะมุนีก็เลือนลางออกไปจนกระทั่งกลายเป็นความมืดสนิท ต, ตามเดิมอยู่ขณะจิตหนึ่งดารินลดมือที่พนมบูชาเหนืออกลงวางซ้อนบนตักตามเดิมมีจุดเขาขา ว, ขาวเรืองแสงคล้ายหิ่งห้อยไกลลิบลงไป ยังบริเวณหน้าผาเบื้องล่างในเวลาต่อมาจุดนั้นดูจะห่างไกลาจากตำแหน่งที่หล่อนนั่งสมาธิอยู่บนหน้าผามากทีเดียวดูเหมือนจะตรงบริเวณโขดหินใกล้ๆลำธารที่คณะพักทั้งหมดเดินไต่เลาะกันมาเมื่อใกล้ค่ำวันนี้ ก่อนจะพบบริเวณที่เกลื่อนกลาดไปด้วยซาดช้างตายเนา่าเต็มบริเวณพื้นที่ไปหมดนั่นแหละแล้วชั่วครู่เดียวจุดดังกล่าวก็เริ่มเคลื่อนลอยจากตำแหน่งนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะเป็นจุดสว่างเขาขา ว, ขาวที่ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นทุกทียามเมื่อใกล้เข้ามา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 เส้นผมและชายแพรของอาพรที่ห่อหุ้มเรือนกายปริวสไหวเหมือนถูกแรงลมพัดดารินเฝ้าเพ่งพินิษทางมโนทวารมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสตรีงามเหนือคำบรรยายนางนั้นจะมายืนห่างจากหล่อนผู้นั่งอยู่เพียงแค่สองวาเท่านั้นเอกทุกส่วนสัตว์ชัดเจน แม้กระทั่งดวงตาที่แลจ้องมาพร้อมด้วยรอยยิ้มน้อยๆอย่างมิขอต้อนรับจิตรางคานาเทวีณสถานถิ่นอันเป็นอาณาบริเวณปกครองดูแลของเรานี้น้ำเสียงหวานใสอ่อนโยนไพเราะนั้นเอ่ยทักทายขึ้น เ ธ, เธอเรียกฉันว่าว่าอะไรนะนะนะดารินถามทางกระแสจิตนึกคิดภายในด้วยลักษณะปกติธรรมดาที่สุดนางผู้งามปานวาดนั้นแย้มสวนออกมาเบาๆ <c oughs> ขอโทษนะนะน้อยที่ฉันเรียกนามดั้งเดิมแต่บรรพชาติอันไกลแสนไกลของเธอ คตอบต่อมาเปลี่ยนเป็นกันเองที่สุดเหมือนเพื่อนร่วมยุคสมัยที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนฉันดีใจนะที่ได้พบเธอเธอคือฉันวราดาชรีถ้างั้นก่อนอื่นโปรดรับสักการะ รับความเคารพจากฉันด้วยนะวราดาชรีไม่จำเป็นรอน้อ ย, อยสตรีงามในมิติที่ห้าของดารินตอบคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนเก่ากันมานานแล้วกันเพียงแต่เส้นแบ่งขั้นจักรวาล ม, มาเป็นกำแพงกีดกั้นขวางบังเราไว้แต่ราตรีนี้ เอาว่าคืนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่านะเส้นแบ่งขั้นจักรวาลแบ่งพบถูกเปิดออกชั่วขณะทำให้เราสามารถพบกันได้ง่ายเท่าเออวราดาชรีเมื่อสักครู่นี้คนของฉันก็อัญเชิญเธอมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่เขานั่งกุมเธออยู่ข้างหลังนั่นไง แต่ก็มองไม่เห็นฉันดอกเธอไม่ได้ความกระจ่างใดๆแกเขาเลยนี่น้อยก็เขาเป็นใครล่ะที่จะมาบังอาจสอบซักอะไรฉันันไม่ว่าจะด้านบารมีหรืออิทธิชานของเขายังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกเทวนารีมาพูดคุยกันด้วยกันได้นะแล้วฉันล่ะ วราดาชรีน้อยเธอเองก็ไม่มีบารมีไม่มีอิธิชานายทั้งสิ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันกระเสริฐที่คุ้มตัวเธออยู่ต่างหากล่ะที่เปิดทางให้แก่เธอแต่เจ้าว่าบารมีของเธอไม่มีก็ไม่ถูกต้องนะนะความจริงก็มีอยู่มากพอสมควรทีเดียวบารมีนี้เกิดขึ้นจากอำนาจสัจจาทิกสถาน และการรักษาศัพจักที่มั่นคงยิ่งนั้นเป็นยังไงน้องสาวตอนนี้ดูเธอไม่ผิดอะไรกันนันธรรมยันตีเที่ยวได้ในป่าฟาดงสมซานค้นหาพนนนนเลยนะต่างจบจบสฟีนางนั้นซึ่งมองแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ปุถุชนเลยจนนิดเดียวในการสนทนาโต้ตอบระคนสัพยอบหยอกยาวเล่น ได้หัวเราะเ บ, บาๆขึ้นอีกเก้าเข้ามาใกล้อีกหนึ่งเก้าพลางค่อยๆย่อนกายลงนั่งบนแง่หินตรงหน้าระดับเดียวกันหล่อนใช่แล้ววราดาชริงฉันลำบากยากแค้นแล้วก็ทุกข์ระทมเศร้าจนบอกไม่ถูกในการติดตามหาเขาุ่งนั้นเดินตามรอยเข้ามาเบื้องหลัง พบเห็นแต่ร่องรอยอันเต็มไวได้วยปริศนาเต็มไปหมดเดาอะไรไม่ถูกเลยอัดอั้นปันใจเหลือประมาณแนละ้วอัค น, นีรุธนะเขาเป็นผู้มิกรรมหนะักและเป็นผู้ชดใช้กรรมมาหลายชาตินะ้วหญิงสาวในชุดขาวกล่าวเนิบเนิบใช้มือลูบเส้นผมดำคลับ งดงามของตอนเองนี่น้อยอย่าทำหน้างงอย่างนั้นสิฉันหมายถึงตาพรานที่ชื่อระเพ็งไทรวันของเธอในชาตินี้นั่นแหละลกกรรมของเขามันก็เกี่ยวโยงมาถึงเธอด้วยยกเว้นแต่ว่าเธอจะตัดสายโซ่แห่งกรรมนี้ออกไปซะโดยไม่ไปฟังกิบผูกพันอยู่กับเขา ักเขาออกไปจากชีวิตชาตินี้ของเธอเถอะฉันเตือนเธอแล้วนะน้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีงามขึ้นสำหรับตัวเธอและพวกพ้องถ้าหากเธอจะกลับหลังซะยุติการติดตามบางเตียงแค่นี้เถอวราดาชรีไม่มีอะไรในโลกนี้หรือโลกไหนทั้งสิ้น ที่จะมาสกัดกัน้นฉันสะด้ยกไว้อย่างเดียวถ้าตายซะก่อนก็จนใจนั่นแต่ว่าการติดตามสิ้นสุดลุ่มแม้ว่าเธอจะตามไปพบว่าชีวิตในชาตินี้ของก็สิ้นลงแล้วยังนั้นคำถามนั้นเหมือนจะหยั่งใจมาแน่นอนวราดาชรี แน่นอนว่าฉันจะบุกบันติดตามเขาไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วถ้าตายฉันก็จะเอากระดูก ข, ของเขากลับนี่คือเจตนารมอันแน่วแน่ดีจริงๆเลยน้อยเช่นนั้นเธอก็เป็นยอดหญิงควรับการยกย่องสารเสือแท้จริง เกี่ยวกับความรักมั่นคงที่มีต่อชายหนุ่และชายเดียเอาล่ะฉันรู้เจตนาของเธอแล้วว่าเธออยากจะทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังบริเวณหน้าผาตะเคียนทองซึ่งฉันดูแลนี่เพราะฉะนั้นอินทรียยาภายนอกของเธอจงทิ้งให้นั่งอยู่นั่นแหละแต่ดวงจิตของเธอจงแยกจากร่างชั่วขณะ และติดตามฉันมาฉันจะนำมาให้เห็นทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ว่าณวันที่คนรับของเธอมาถึงที่นี่เขาได้กระทําอะไรและเกิดเหตุการณ์อย่างไรมั้นนางนั้นลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งทอดแขนอันอ่อนช้อยยื่นส่งมาทางหล่อนในอาการเชิญชวน บราดาชรีฉันจะถอดดวงจิตฉันออกจากร่างได้ยังไงฉันยังไม่เคยเธอเข้ามานำฉันไปสิเข้ามาจับแขนฉันสิร่างนั้นคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นน้อยตะแก่ที่นั่งคุมหลังเธออยู่นั่นแม้จะไม่มีอิธิชาบารมีแก่กล้าพอ แต่แกก็มีเวทมนต์อาคมทางเดรฉานวิชาเหลือร้ายนะในขณะนี้ได้แผ่เป็นรัศมีปกป้องเหมือนร่างแห่เพ็รปกคลุมร่างของเธอไว้แล้วป้องกันไม่ให้อะไรแผ่พานเข้าไปใกล้อินทรียาของเธอได้ถึงฉันเองก็เข้าไปใกล้กายเธอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วละ่ะมันร้อนรารวกับไฟกันฉะนั้น เธจงถอดจิตออกมาเองเถินตั้งพุทโธนุสติแล้วลึกขอพรจากมหาูาษีโกนโกนยาว่าเธอจะขอถอดจิตออกจากร่างแล้วเธอจะสำเร็ิผลสงเกตนาไม่ต้องกลึงเกลงอะไรทั้งสิ้นฉันไม่มีพิษมีภัยใดๆกับเธอและอรหันต์องนั้นจะปกปักรักษาคุ้มครองวงจิตให้กับเธอเอง ขอรับรองว่าไม่มีอะไรมาทำอันตรายเธอได้แม้แต่มันไรและบริวารของมันที่รอคอยโอกาสอยู่ก็ต่อด้วยเจตนาอันมั่นคงกล้าหาญและดวงจิตที่เด็ดเดี่ยวเต็มที่ปราศจากความประวันพรั่นพรึงใดๆทั้งสิ้นดารินวราฤทธิ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของสิ่งลี้ลับเหนือระดับปุถุชนนั้น ทันทีในการเฝ้าจับสังเกตและคุมด้วยอาคมอยู่ตลอดเวลาของครูพรานนานอินที่นั่งสะกดอยู่เบื้องหลังของนายหญิงแกเห็นร่างที่นั่งทรงกายนิ่งดุดท่อนหินนั้นสงบนิ่งไปนานราว45นาทีหรืออาจจะหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่นิดหนึ่งและทูปที่จุดไว้ก็ดับไปตั้งนานแล้ว นั้นอินชักเอกใจพนมมือขึ้นเหนือศีสะโอมอ่านคถาขยับจะเป่าพรวดไปทางด้านหลังของนายหญิงเพื่อใช้อาคมปลุกกรนให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่ทันที่แกจะทำอะไรลงไปก็ปรากฏว่านายหญิงถอนใจยาวลึกขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับขยับเคลื่อนไหวไกายหันหน้ากลับมาทางแกสีหน้ายังคล้ำเผือดอยู่เช่นนั้น แต่แววตาที่แลมาดูจะเป็นประกายแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยนายหญิงนั้นอินกำลังจะปลุกนายหญิงขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้พอดีนายหญิงรู้สึกตัวซะก่อนแกเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนแต่ก็มีแววโล่ง อ, อกราชาสกุลสาวเอามือทั้งสองข้างลูบใบหน้าบอกเรียบเรียบว่ า, มวาวไม่ต้องปลุกรอก ล, ลุงอิน มันเป็นเวลาที่ฉันเลิกจากการนั่งสมาธิพอดีฉันนั่งอยู่นานมากไหมลุงโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนาหญิง น, น, น, นานจนนา น, นอินเห็นผ่าไม่ดีเพราะตัวนิ่งแข็งเป็นหินเลยลมหายใจก็แทบจะไม่เห็นเป็นยังไงมั่งล่ะนายหญิงเห็นอะไรมัง่ง ด, ดารินยิ้มจางๆน้ําใสๆคลออยู่ในดวงตาพึมพำว่า ฉันคิดว่าฉันเห็นนะเห็นอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดแล้วก็พอใจละเอาละ่ะฉันเลิกนั่งแนะล้วรุมานอนซะเถอะฉันก็จะนอนเหมือนกันละ่ะกล่าวจบดารินก็ลุกขึ้นเดินตรงไปยังตำแหน่งที่นอนของตนพอเฉียดนั้นอินผู้ยังนั่งอยู่ก็หลบตบไลไ่แกเบาๆครั้งหนึง่งนั้นอินแงนมมองอย่างงงง นายหญิงเห็นอะไรยังไงทำไมไม่บอกแค่นั้อ น, นอินฟังมั่งละ่ะไม่ต้องบอกหรอกพรุ่งนี้จะพาไปชี้ให้ดูเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ตรงไหนหลนบอกเพียงแค่นั้นก็มาเอ็นกายลงนอนที่ของตนตำแหน่งใกล้ๆ ก, กับพี่ชายกลางยังไม่หลับตาแต่มองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังเพดานถ้ำ อันมืดมิดหนานอินนั้นพอเห็นหล่อนเข้าประจําที่นอนแล้วก็ลากไรเฟิลและเครื่องนอนของแกออกไปนอนดักขวางอยู่ปากทางเข้าขณะกำลังนอนครุ่นคิดพี่ชายกลางผู้ซึ่งเข้าใจว่าหลับไปนานแล้วก็ใช้นิ้วสะกิดมาที่ต้นแขนพอหันไปก็เห็นเขาลืมตาจ้องหน้าอยู่แล้ว ยังไม่หลับอีกเลยคะ่ะพี่กลางก่อนหลับหลับเตือนเตนะือนน่ะก็อยากดูเหมือนกันว่าน้อยจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานสักเท่าไหร่ยกมือขึ้นปัดชายแขนเสื้อดูนาฬิกาห้าสิบห้านาทีกับสามสิบสี่วินาทีพอดีนับตั้งแต่จุดทูบเสร็จแล้วก็ไปนั่งทําท่าเป็นนักวิปัสสนาอยู่ตรงปากโพรงถ้านั้น ก็แปล ว, ว่าพี่กลางไม่ได้หลับเลยคอยจับสังเกตน้อยอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหยคคะนอนได้สักทีแล้วมั้งมาลืมตามองดูเพดานถ้ำอยู่อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะน้อยพี่ชายตักบทมาพี่กลางจะหลับก็หลับเถอะคะ่ะอย่ามากังวลอะไรกันน้อยเลยพี่ชายสองคน มีน้องสาวสุดท้องอยู่คนเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่กังวลด้วย <_ an> ก็ไม่มาเหนื่อยยากเสี่ยงชีวิตอย่างนี้หรอกน้อยนะ่ะ <_ an> อาจไม่รักพี่เท่ากับรักพี่ใหญ่เขาแต่ก็คอยรู้ไว้ด้วยเถอะนะว่าพี่คนนี้ก็รักน้องสาวไม่น้อยไปกว่าพี่ชายคนโตเหมือนกันแม้จะไม่อ่อนโยนหรือเอาอกเอาใจเท่าพี่ใหญ่เขาก็ตามค <_ an> ำพูดชนิดนั้น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 ตอนนั้นพี่ใหญ่กับพี่กลางกำลังหมางใจกันอยู่ด้วยอะไรก็ตามที่น้อยอาจจะแข็งกระด้างก้าวราวดืดดึงต่อพี่กลางไปแล้วน้อยก็กราบขออภัยด้วยค่ะอนุชาวราฤทธิ์รูปศีรษะน้องสาวอย่างเอ็นดูเอาละเอาละพี่เข้าใจเราก็มีกันอยู่เพียงสามคนพี่น้องเท่านั้นแล้วก็มีชายยันอีกคนหนึ่งที่เปรียบเหมือนญาติสนิทเพื่อนตาย สชีวิตของเราหน่ใครทุกอีกสามคนก็ทุกด้วยใครสุขอีกสามคนก็สุขด้วยพี่เห็นอาการน้อยคืนนี้แล้วบอกตรงๆพี่ไม่สบายใจนะพี่กลางคะน้อยจะไม่ทําอะไรให้พี่กลางต้องกังวลหรือไม่สบายใจอีกแล้วล่ะขอสัญญาดีเรารู้ตัวกันล่วงหน้าแล้วหนิ เมื่อเราจะมาสู่ความยากแค้นด้วยกันในการติดตามระพินครั้งนี้มันไม่ใช่ลําบากเฉยๆนะมันอาจจะถึงตายได้ง่ายๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ตายมากซะด้วยแล้วทุระอะไรที่เราจะต้องมาสร้างกังวลให้หัวใจมืดมัวทุกข์หนักลงไปอีกสร้างกําลังใจของเราให้มันเข้เขมแข็งเอาไว้เป็นทุนต่อสู้กับพิบัติภัยอันตรายที่จะมาถึงเราดีกว่านะ ค่ะพี่กลางน้อยระหนักดีค่ะว่าจะไม่มีพี่หรือเพื่อนใดๆประเสริฐไปกว่าพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชยันอีกแล้วทั้งสามคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ร่วมทางมากันน้อยและมีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้งกักตัวน้อยไว้เพื่อไม่ไม่ให้มาในครั้งนี้ก็ได้แต่ทุกคนก็ไม่ขัดใจน้อยเลยเพราะความรักอยากจะเอาใจน้อยอืมใช่นั่นก็ประการหนึ่งละ ส่วนิีกประการหนึ่งนอกจากตัวน้อยเองแล้วพวกเราทุกคนก็รักและก็เป็นห่วงระพินเสมอ้วยเพื่อนตายคนหนึ่งก็ไม่อาจจะนิ่งดูได้หรือแค่เฉพาะรอฟังข่าวเขาอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเขาต้องเดินทางมาอย่างไม่มีอนาคตแบบนี้ดารินนิ่งซึมไปครู่พลิกตัวกลับไปนอนหงายตามเดิมมือยังจับฝ่ามือของอนุชาือพลานชดไว้แน่น พี่กลางคะอืมพอจะฟังสมมุติฐานเดาเรื่องราวที่น้อยจะพูดถึงเหตุการณ์อันเกิดขึ้นยังบริเวณหน้าผาตะเคียนทองนี้ได้ไหมคะสมมุติฐานน่ะสมมุติฐานอะไรคะ่ะเอาว่าเป็นเรื่องสมมุติแล้วกันเดาเหตุการณ์หรือขาดคาเนไปพลังๆก่อนแล้วกันนะคะ อนุชาขยับตัวแล้วเปลวไฟเช็คก็สว่างวาบขึ้นเขาเริ่มจุดบุหรี่อ่ะงั้นก็ลองว่าไปสิดีเหมือนกันคุยกันไปเรื่อยๆมันก็คงจะง่วงแล้วก็หลับไปเองแหละพี่กลางคะรบพินกับพวกนั้นพร้อมทั้งกะเหรี่ยงสามคนโดยมีคนหนึ่งบาทเจ็บออกเดินทางจากป่าไัย มาถึงที่หมู่บ้านตะเคียนทองในเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่หยุดค้างหนึ่งคืนตรงตำแหน่งที่ปะทะกระโขงช้างบริเวณป่าไผ่นั่นแหละค่ะฮึกรเรียงสามคนคนหนึ่งบาทเจ็อยังงั้นเหรออนุชาทวนคำค่ะก็จากหลักฐานที่เราพบการเยียวยาที่ป่าไผ่ก่อนจะถึงตะเคียนทองนั่นแหละค่ะ คนบาดเจ็บนะ่ะถูกกระทิงเหยียบถักทักหน้าท้องเปิดไส้ไหลมีการเย็บแผลรักษาพยาบาลกันที่นั่นทำให้การเดินทางในหยุดชะงักทั้งทั้งที่เดินออกจากโป่งน้ําร้อนมาได้หน่อยเดียวทั้งสามกรเรียงนะ่ะเป็นลูกบ้านของหมู่บ้านตะเคียนทองนี่แหละค่ะกําลังอยู่ในระหว่างหนีคดชะไสวนทางกับพวกกระพินที่บ่ายนาขึ้นมาพอดีคนที่ถูกเหยียบไส้ทะลักแต่ไม่ตาย ระพินขอร้องให้ฝ่ายมริกันช่วยไว้น่ะเขาชื่อเสิงส่วนเพื่อนอีกสองคนที่ปลอดภัยดีน่ะชื่ออูทะดัพโต้อดีตพรานชดหันหน้าขวบดูน้องสาวผู้นอนพูดช้าๆอยู่เหมือนจะเป็นการรำพึงในทันทีถามมาเสียงต่ำๆเป็นงานเป็นการขึ้นเอ๊ะน้อยสมมติฐานน่ะมันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่กว้าง มันคงไม่ละเอียดแบบขนาดมองเห็นชัดกระตาถึงขนาดรู้จักชื่อได้หรอกนะพี่น้อยไปรู้ได้ไงว่ามีกระเรียงนะสามคนคนหนึ่งชื่ออูทักอีกคนนึ่งชื่อพัโต้แถมคนที่คลอาราถูกกระทิ้งเหยียบก็ชื่อสเสอิงด้วยน้องสาวนิ่งไปกึ่งอึดใจแล้วบอกแผ่วเบาต่อมาว่าก็คิดว่าเป็นชื่อสมมุติไปก่อนก็แล้วกันสิคะ เอาละเอาละแล้วไงต่อล่ะตอนนี้พี่คิดว่าพี่ไม่ง่วงแล้วนะอนุชาพูดโดยเร็วดารินปล่อยมือข้างที่กำฝ่ามือพี่ชายไว้แน่นนั้นออกแล้วยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าของตนเองซึ่งบัดนี้เย็นชื้นไปด้วยละอองไอของน้ําค้างขณะที่หล่อนออกไปนั่งอยู่ตรงปากโพรงถ้าก่อนจะกลับเข้ามานั้น เหล่าแผ่วเบาต่อมาด้วยน้ำเสียงฟังดูเลื่อนลอยคล้ายคนที่ตกอยู่ในห่วงพาววงต่อมาว่าพวกเขาก็พากันเดินทางมาถึงหมู่บ้านตะเกียนทองโดยการนาเอากเหรี่ยงสามค น, นติดขบวนมาด้วยค่ะคนที่บาดเจ็บถูกหามใส่แคร่มาเมื่อมาถึงเขาก็พบกับสภาพของหมู่บ้านแหลกพินาศเป็นแปลงด้วยการบุกเข้าทาลาย ของขลุงช้างผีสิงเหมือนอย่างที่เราพบกันเมื่อตอนเย็นนี่แต่ขณะที่เราพินมาถึงน่ะกองทัพช้างได้บุกเข้ามาทำลายหมู่บ้านสดๆ ด, ดร้อนๆห่างเพียงแค่ไม่เกินสามสี่วันก่อนที่เขาจะมาถึงเท่านั้นและได้พบกระซากศพที่หนีไม่ทันถูกช้างฆ่าระเนระนาดเกลื่อนไปหมดหัวหน้ารินายบ้านที่ชื่อโบโมเมียได้รวบรวมพักพวกที่เหลือตาย จากการบุกทําลายของช้างร้ายโขลงนี้ละทิ้งหมู่บ้านถอยขึ้นมาอาศัยเป็นมนุษย์ถ้าอยู่บนหน้าผาตําแหน่งที่พวกเราขึ้นมาอาศัยนอนกันคืนนี้แหละคะ่ะเพราะไม่สามารถจะอยู่ตามพื้นที่ซึ่งช้างสามารถจะเดินบุกเข้ารังควานได้จึงตอนน้องหนีขึ้นมาอาศัยอยู่ตามซอกหน้าผาชันซึ่งเป็นจุดอันจะทําให้รอดตายพ้นภัยอยู่ได้แต่ก็ลําบากมาก ไม่สามารถจะทำมาหากินได้ตามปกติทิ้งซากปรักหักพังของบ้านเรือนและศพ ข, ของพวกตนไว้ตรงนั้นจนกระทั่งคณะของระพินมาถึงนี่ก็แปลว่าในการเดาของน้อยหมู่บ้านตะเคียนทองถูกทำลายแหลกไปก่อนแล้วที่ระพินกับพวกนั้นจึงเดินทางมาถึงที่นี่อย่างงั้นเหรอคะพี่กลาง พวกลูกบ้านกระเจิดกระเจิงหนีกันออกไปรอบทิศสามคนที่ไปพบกับคณะรับพินน่น์อยู่ในระหว่างจะเพ่นหนีลงไปยังหมู่บ้านซับบอนเพื่อจะนําข่าวเกี่ยวกับช้างโขลง้งาดําที่เข้ามาอารวาสเดินทางไปบอกกระพินซึ่งขณะนั้นทุกคนเข้าใจว่าเขายังอยู่ที่หนองน้ําแห้งแต่บังเอิญมันเป็นเวลาที่รับพินเดินทางสวนขึ้นมาพอดีแล้วก็พบกันโดยบังเอิญขณะที่คนที่ชื่อสเสอเิง ถูกกระทิงเหยียบเอาไส้ไหลพี่กลางพอจะฟังการตัดต่อลำดับภาพของน้อยได้ถูกไหมคะเท่าที่พูดให้ฟังมานี่อนุชาเป่าควันบุรีสูงขึ้นไปบนด้านบนบอกมาเสียงต่ำๆว่าอืมเอาละเอาละก็พอจะมองเห็นภาพตามที่น้อยว่านี่แล้วนะเพราะมันสอดคล้องกันได้อย่างไม่มีอะไรขัดแยง้งจากเหตุการณ์ที่เราตามมาพบเห็นโดยหลักฐานน่ะ พี่กลางคะขอทำความเข้าใจอีกครั้งนะคะว่าที่น้อยพูดน่ะเป็นการอนุมานหรือสมมุติเอาเท่านั้นนะคะอืมพี่เข้าใจเข้าใจแล้วบาแต่้าต่อไปสิระพินผ่านหมู่บ้านพินาตนั้นมาทันทีแล้วก็ตามมายังหน้าผาตะเขียนทองแห่งนี้คะ่ะก็พบพวกที่หนีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าอยู่บนนี้ก็คงเป็นธรรมดาที่จะต้องสอบซัก รู้ความว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นยังไงพวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองยังคงมีที่หลบพักอาศัยอยู่บนซอกโพรงบนหน้าผานี่ตามเดิมส่วนคณะของระพินก็ปักหลักหยุดพักคุมเชิงอยู่ตรงบริเวณลานใต้หน้าผานี่เป็นการพักชัว่วขณะโดยยังไม่เดินทางต่อในขณะที่เขามาหยุดพักอยู่ตรงนี้นะมันยังวันอยู่มากจึงออกคาสั่งให้ปรานพื้นเมืองของเขา และกระเรี่งตะเคียนทองจำนวนหนึ่งย้อนกลับไปยังหมู่บ้านร้างอันไม่ห่างไกลนักจัดการค้นหาสเสบียงเท่าที่จะขนมาได้จากซากบ้านพังเหล่านั้นและให้นำเอาศพเน่าเฟะของพวกเคราะร้ายมารวมกองกันเผาซะให้หายอุจาาตาเมื่อเรามาถึงเราจึงพบเข้ากัะกองไฟและกองกระดูกมีรอยถูกเผาโบมีกับพวกที่เหลือตาย ดีใจที่เห็นระพินกับคณะเดินทางมาถึงที่นี่อย่างน้อยการมาถึงของแพนใหญ่ที่ทุกคนต้องการและรอคอยอยู่ก่อนแล้วมันก็สร้างความอบอุ่นให้เป็นหลักประกันขึ้นได้ท่ามกลางการถูกรังควานหนักของกลุ่มช้างอันมีพฤติการโหดเหี้ยมผิดไปจากธรรมชาติช้างป่าปกติสามัญทั้งสองฝ่ายที่พบกันก็ยังคงแบ่งกันอยู่เป็นสองพวกคือพวกกะเหลี่ยงหนีตาย ระพินให้ไปอาศัยหลับนอนอยู่บนหน้าผาตามเดิมส่วนพวกเขาก็ปักหลักคุมสถานการณ์กันอยู่ยังเนินข้างล่างสัมภาระต่างๆที่ติดตัวมาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยระพินกับฝรั่งพวกนั้นสั่งให้ทยอยนำขึ้นไปเก็บซ่อนเพื่อความปลอดภัยยังช่องโพรงบนหน้าผาอันเป็นตำแหน่งพักซ่อนตัวของพวกกะเหี่ยงลีภัยนั่น ฝ่ายตนคงมีแต่สิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือมีค่านักพักแรมคืนกันอยู่ที่ตีนผาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประจันหน้ากบขลุงช้างผีสิงถ้าหากว่ามันจะบุกเข้ามาเล่นงานในเวลากลางคืนทุกคนพร้อมที่จะรับศึกใหญ่ถ้ามันบุกเข้ามาไม่ว่าเวลาใดและถ้าต้านไม่อยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะถอยหนีขึ้นหน้าผา ซึ่งพวกกะเรลียงไปยึดอาศัยอยู่ก่อนแล้วเป็นการยึดชัยภูมิที่ถูกหลักที่สุดในการรับมือพร้อมทางหนีที่ไลืมันก็แปลกดีนะที่น้อยเดาเหตุการณ์ปริศนาที่เราตามมาพบภายหลังนี้ได้ยังกระตาเห็นอย่างนั้นแหละ่ะถ้างั้นราพินกับคณะก็ต้องพักแรมคืนอยู่ที่ตีนผานี่หนึ่งคืนสินะไม่ใช่หนึ่งคืนหรอกครับที่กลาง แต่เป็นสองคืนซ้อนๆกับแทบจะอีกหนึ่งวันเต็มๆของการมาพักอยู่ที่นี่อะค่ะเพราะมันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นซะ ก, ก่อนทำให้เกิดการชะ ง, งักกันอยู่ที่นี่นานเกินกว่ากำหนดเดิมพี่กลางลองฟังน้อยปฏิติดประต่อเหตุการณ์ต่อไปนะคะอ่ะว่าไปคืนที่มาถึงอ่ะภายหลังจาก ตเตรียมแผนการเรียบร้อยไล่กระเหรียงขึ้นมาบนหน้าผาแล้วระพินกับพวกเขาทุกคนก็ยึดที่นอนเตรียมพร้อมอยู่ข้างล่างคนเจ็บที่ชื่อเสอเอิงก็ยังอยู่ในระหว่างต้องรักษาเยียวยาให้น้ําเกลือแทนอาหารก็ถูกสั่งให้แบกขึ้นมานอนอยู่ในกูหาถ้ำที่ลูกเมียของตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วดาริงหยุดเว้นระยะเอามือตบลงกับพื้นหินที่นอนอยู่ ก็โพรงถ้มแคบแคบที่เราสี่คนกำลังนอนอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะคะ่ะเอิงน่ะถูกส่งเขามานอนอยู่บนนี้ในคืนนั้นอนุชาพงกตัวขึ้นทันทีมองไปยังเสาน้ำเกลือที่ดารินยังคงปรับไว้ให้อยู่ในลักษณะเดิมนี่เธอหมายความว่าเสาน้ำเกลืออนั้นไม่ใช่ค่ะพี่กลางไม่ใช่นั่นน่ะเป็นเหตุการณ์ต่อไปคะ่ะ เสอเอิไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้หรอกแต่เข้าไปนอนรับการรักษาอยู่ในซอกลึกเข้าไปยังตำแหน่งที่พี่ใหญ่และชายันนอนอยู่เดี๋ยวนี้นั่นเฉพาะคืนนั้นรัพินยังไม่ได้ขึ้นมานอนเก็บอยู่บนนี้หรอกเขาเพียงแต่ขึ้นมาเยี่ยมดูอาการคนเจ็บในตอนหัวค่าพร้อมกับหมอเบลแล้วก็กลับกันลงไปพี่ชายกลางคราวนี้จ้องหน้าน้องสาวตามไม่กระพริ ه, น้อยพี่ชักสงสัยใชละน้อยเอาเรื่องราวเป็นตูุเป็นตาเหล่านี้มาพูดได้ยังไงพี่กลางคะมันก็เหมือนตลับวีดีโอเทปที่บันทึกเหตุการณ์ไว้นั่นแหละคะ่ะบันทึกไว้ในขณะที่เราไม่อยู่ไม่เห็นเหตุการณ์สุดๆและเมื่อเราต้องการดูเราก็กรอเทปหรอเปิดถ่ายทอดเข้าเครื่องโทรทัศน์ ให้ภาพมันปรากฏออกมาเพื่อเห็นเสียดายแต่เพียงว่าในบางเหตุการณ์เครื่องบันทึกเทปมันไม่ยอมจะบันทึกภาพไว้ให้เห็นเท่านั้นโดยอาจจะเห็นว่าไม่จําเป็นและไม่ประสงค์จะให้น้อยได้รู้เหตุการณ์เฉพาะตอนนั้นก็ได้อย่างเช่นตอนที่รับพินกาเบลขึ้นมาเยี่ยมสะเออแล้วก็กลับลงไปด้วยกัน เหตุการณ์ตอนนั้นน้อยสงสัยว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ภาพไม่ยอมปรากฏตัดภาพมาอีกทีทั้งสองก็ลงมาถึงแทมข้างล่างที่ตีนผาซะแล้วเหมือนเหมือนหนังที่ถูกกันไกลของกองเซนเซอร์หันออกอย่างนั้นล่ละคะ่ะอนุชาเอื้อมมือมาแตะที่หน้าผากของน้องสาวพึมพำว่าน้อย นี่เธอไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยดาริงจับมือพี่ชายออกน้อยสบายดีค่ะสบายดีที่สุดเลยไม่ได้เป็นอะไรหรอกและที่พูดนี่ก็ไม่ได้เพอ้อด้วยจะฟังต่อมไหมคะแต่ถ้าเห็นว่าไร้สาระน้อยก็จะหยุดละเอาเอาเอาพูดต่อไปพี่จะฟังให้จบสิ้นข้อความดีดะ พี่ชายกลางกล่าวอ่อนโยนมาอย่างเอาใจดารินเปิดตาสว่างพโพลงมองอย่างปราศจากความหมายไปยังเพดานหินดำมืดเหมือนจะทบทวนในสมองพี่กลางคะ่ะคืนนั้นล่ละคะ่ะภายหลังจากเยี่ยมคนเจ็บที่นำขึ้นมาไว้บนที่ปลอดภัยเสร็จ ระพินกับแม่ผมแดงก็ลงไปยังพักพวกข้างล่างทุกคนเตรียมพร้อมพวกนายจ้างก็นอนกันอยู่เป็นกลุ่มระพินมีการประชุมคนของเขาและกําหนดหน้าที่สั่งให้ก่อกองไฟดักไว้ล้อมรอบที่พักของนายจ้างอเมริกันและจะเป็นด้วยสังหอนหรืออะไรก็ไม่ทราบตัวเขาเองได้ออกไปนอกอนาณาบริเวณของที่พักนอกเขตกองไฟ ไปนอนดักทิศ ท, ทางด้านนอกอยู่ตามลำพังคนเดียวตรงทางด่านที่จะลงไปสู่ลำธารน้าต่ำลงไปบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่พวกเราเดินผ่านกันขึ้นมาแล้วเมื่อตอนเย็นนี่อืมการออกไปนอนดักอยู่นอกนาณานบริเวณพวกเราที่คุ้นเคยกันนิสัยของเขามากก่อนจะมจะต้องรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขามักจะทำอย่างนี้เสมอถ้าหากเกิดสงสยัย หรือประสงค์จะดักจับรหัสอะไรเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีวิชาอาคมพอที่จะกล้าทำเช่นนั้นพวกนายจ้างทุกคนนอ น, น, อนหลับกันหมดไม่มีใครรู้ว่ารพบิดแอบออกไปนอนดักอยู่นอกบริเวณที่ล้อมกองไฟไว้อย่างปากทางด่านด้านต่ำลงไปดาริงหยุดถอนใจในอาการสะท้อนแล้วหลับตาลง กายสันสถานเป็นระลอกอนุชาหันไปรินบรนดีจักรติกใส่ฝาประมาณหนึ่งเปกแล้วส่งไปให้ดารินรับมาดื่มรวดเดียวหมดดึงกายขึ้นนั่งอีกครั้งอี่กลางคะน้อยน้อยไม่อยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้เลยมันหวาดเสียวหรือเกินคะ่ะ เล่าต่อไปเถอะน้อยพี่จะไม่ขัดอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้นนอกจากว่าถ้าเหตุการณ์ที่น้อยเล่านะ่ะมันไม่กระจ่างยังไงพี่ก็จะขอถามเพิ่มเติมบ้างพี่กลางอย่าหาว่าน้อยเพ้อบ้าอะไรไปนะคะอรับรองจะไม่คิดอย่างนั้นหรอกพี่กลางคะแล้วพินออกไปนอนนอกแคมป์ ไม่ยอมให้ใครตามออกไปด้วยเลยแม้แต่บุญคำอันเป็นคนสนิทที่สุดของเขาสั่งไว้แต่เพียงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆขึ้นขอให้ทุกคนยิงต่อสู้ป้องกันแคมไว้ไม่ต้องเป็นห่วงเขายัางไงทั้งสิน้นเกิดเซยจันแล้วก็บุญคำทุกคนรู้มือเจ้านายดีอยู่แล้วไม่มีใครกล้าขัดคาสั่งเขา แลตกดึกคืนนั้นเองตกดึกคืนนั้นแหละครับพี่กลางไอ้มันไรกับพวกผีดิบบริวารของมันก็เข้ามาก่อกวนเล่นงานครับมันทั้งหลอกหลอนและเจตนาจะเข้ามาประทุษร้ายต่างๆนาน า, นานรพินตื่นขึ้นทันก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อพี่กลางคะภาพที่น้อยเห็นทางกระแสจิต มันมัน น, น่าสยดสยองมากค่ะมันมันเริ่มล่อเขาให้ออกติดตามไปในตอนกลางดึกนั่นแหละจุดประสงค์ก็คือจะเอาเขาไปสู่จุดมรณะประการหนึง่งกับจะดึงเขาให้ห่างพ้นจากบริเวณแคมป์ออกไปซะเพื่อจะได้ใช้กองทัพช้างผีสิงเข้าเหยียบขยี้กลุ่มพรานพื้นเมืองลูกหาบและนายจ้างอเมริกันพวกนั้น ให้แหลกลงไปทั้งหมดระหว่างที่รพินหลงกลตามมันไปในป่าลึกคืนนั่นเองพวกในแคมป์หลับกันหมดไม่มีใครรู้สึกตัวหรือฉเฉลียวคิดเลยแล้วมันไรก็ล่อระพินให้ตามมันข้ามฟากทานไปยังเนินเขาอีกลูกหนึ่งไม่ห่างไกลนะ โดยเส้นทางนั้นจะต้องผ่านเหวเหวหนึ่งซึ่งมันเอากิ่งไม้เปราะๆมาสะบังอัมพรางไว้ระพินแพรู้เสียทีมันเหยียบลงไปบนปากเหวที่พรางไว้แล้วร่างของเขาก็ล่นหายวับลงไปในเหวนั้นค่ะแล้วยังไงต่อไปน้อยยังไงต่อไป พี่ชายกลางถามเร็วปรือไม่ได้เห็นเป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไปพี่กลางคะ่ะภาพตอนนี้มันเหมือนภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่ตัดตอนชั่วคราวคะ่ะย้อนกลับเห็นภาพภายในแคมป์พักของพวกอเมริกันที่พรานสี่คนของระพินดูแลรับผิดชอบอยู่เพราะมันรอจังหวะหลอกรพินไปตกเหวแล้ว พวกมันก็เข้าเล่นงานโจมตีทางด้านแคมนายจ้างทันทีโดยสงสั้พวกผีดิบก็ามาก่อนบุญคำจันเกิดและเสยนะ์นตื่นขึ้นไอ้พวกนั้นก็ถึงตัวแล้วเกิดเอะอะโวยวายแล้วก็ยิงกันสนันขึ้นพวกนายจ้างอเมริกันและนายทหารไทยคนที่ชื่อเชิดวุธก็ตกใจตื่นขึ้นซึ่งก็พบว่ากองทัพช้างนับไม่ถ้วนบีบล้อมเข้ามารอบด้าน แล้วการยิงปะทะต่อสู้เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและโกลาหลไปหมดตอนนั้นทุกคนระสำนระสายไปทั่วแล้วบุตรบิจะเสียชีวิตกองทัพช้างผีสิงเหล่านั้นไม่ยอมถอยเลยค่ะองหนุนเนื่องเข้ามารอบทิศหมายจะเอาชีวิตให้ได้ที่ล้มก็ล้มไปที่ดันอยู่เบื้องหลังนับไม่ถ้วนก็เยียบย่ำซากของพวกกันเองบุกตะลุยดาหน้าเข้ามา มีไอ้ผีดิบนั่งบังคับมาบนคอช้างด้วยจนถึงกับต้องใช้ระเบิดมือคว้างสกัดแต่ก็หยุดยั้งมันไม่ได้ถึงตอนนั้นทุกคนเรียกหารพินแต่ไม่มีใครเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนท่ามกลางมหาหันตะไพยนั้นค่ะพี่กลางคะในที่สุดบุญคำก็ต้อนพวกนายจ้างและลูกหาบทุกคนให้หนีขึ้นหน้าผา อันเป็นตำแหน่งที่ระพินกำหนดไว้ให้แล้วในกรณีที่ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเกินกว่าที่จะสักกัดกั้นไว้ได้ทุกคนทิ้งแคมป์พักถอยหนีขึ้นหน้าผาทั้งหมดอย่างบุดบิดในคืนนั้นระดมยิงและกระหน่ำลงมาด้วยระเบิดมือแคมที่พักนอนอยู่ก็แหลกพินาศ ด, ด้วยการบุกเข้าถึงและตลอดทั้งคืนนั้นทั้งหมดทุกคนก็ถอยขึ้นไปรวมตัวอยู่กับพวกกระเหี่ยงบนหน้าผาแห่งนี้ ทิ้งซากของช้างที่ถูกยิงและถูกระเบิดให้ตายกลาดเกลื่อนอย่างที่เราตามมาเห็นซากเกลื่อนระเนระนาดไปหมดนะคะทุกคนรู้แต่เพียงว่ารพินหายไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการต่อสู้เลยในขณะที่กองทัพช้างบุกเข้าโจมตีสอบถามใครก็ไม่ไมีใครรู้และบอกได้นอกจากบุญคําคนเดียวที่จะให้รายงานกับพวกนายจ้างอเมริกันว่า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 รวมทั้งเกรเรียงตะเคียนทองที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วไม่มีใครหลับนอนกันได้ทั้งคืนนับตั้งแต่ช้างเข้าโจมตีจนกระทั่งใกล้รุง่งพวกมันจึงแผลถอยไปหมดทิ้งแต่ซากที่ถูกฆ่าตายนับไม่ถ้วนกองเป็นภูเขาเรล่ากาอยู่เมื่อนั้นเองฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะลงมาดูร่องรอยของระพิน โดยสั่งให้บุญคําและพรานทั้งสามนำทางลงมาบุญคํานําพวกนายจ้างให้ตรงมายังตําแหน่งที่เคยเห็นเจ้านายมานอนดักอยู่ก่อนแล้วก็พบร่องรอยของระพินติดตามอะไรชนิดหนึ่งจึงแกะรอยกันต่อไปในที่สุดก็ฟ้าสางแล้วก็มาพบเข้ากับเหวที่ระพินถูกไอ้ผีดิบมันไรล่อให้หล่นลงไปในนั้นค่ะ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 ก็คือกลุ่มของนายจ้างทั้งหมดกับพรางคู่ใจของระพินทั้งสี่คนรอยเหยียบกิ่งไม้ที่สะพรางไว้ปากเขวลึกและพลัดล่วงลงไปมองเห็นได้ถนัดพวกพรานพื้นเมืองช่วยกันรื้อกิ่งไม้แห้งที่สะไว้ออกก็มองเห็นโพรงเหวชัดทั้งหมดเห็นระพินร่วงลงไปอยู่เกือบจะครึ่งทางของความลึกของเหวร่างกายติดคาอยู่กับสายของเถา ว, วัน แน่นิ่งเหมือนคนตายทุกคนตกใจแล้วพี่กลางทายถูกไหมคะทายถูกไหมว่าใครเป็นคนไต่เชือกลองไปเอาตัวระพิ์ขึ้นมาประโยคหลังหลอนถามพี่ชายเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้น